ขออบ้อมต่อคุณพระตนาไตราขาากาศเพื่อนสมาชิกทุกท่านเจริญธรรมแม่ทีและญาติธรรมทุกท่านเนาะก็คณะเราก็เป็นคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะอันนี้นะต่อไปเราจะมีหน้าที่ความรับผิด ช, ชอบอีกมากมายในการที่เรียกว่าเราจะต้องรับผิด ช, ชอบต่อ ชีวิตของอผู้อื่นนะรับผิดชอบต่อความยุติธรรมเนาะกระบวนการยุติธรรมก็คือนะพวกเราถือว่าเป็นผู้ที่เริ่มต้นในกระบวนการยุติธรรมอจนถึงที่สุดเนาะเริ่มต้นอย่างไรนะก็เช่นตำรวจนะอนิติศาสตรษษ์ก็มีอการเป็นตำรวจได้อก็ถือว่ามีโอกาสเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมนะ แล้วก็ตำรวจถ้าเห็นคดีเห็นสมควรก็ต้องส่งฟ้องนะก็จะมีอายการดำเนินการต่อเนาะเพราะนั้นนิติศาสตร์ก็มีโอกาสเป็นอายการนะแล้วก็เป็นทนายความด้วยจนทั้งถึงดำเนินเรื่องแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลเนาะตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะต่างๆเหล่านี้เนาะเพราะนั้นนิติศาสตร์ก็คือมีโอกาสเป็นทั้งตำรวจเป็น อเป็นทนายความเป็นอายการเป็นศาลนะคือกระบวนการทั้งหมดนี่อยู่ในกระบวนการของนิติศาสตร์ทั้งหมดเลยนะ้ออันนี้ก็ถือว่าเรามีความรับผิดชอบอต่อกระบวนการยุติธรรมนะในอนาคตนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เรียกว่าเราต้องมาศึกษาเรียนรู้นะถึงอ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตนะเราก็ได้เรียนมาจากมาลัยเป็นเวลาสี่ปีแล้วเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องเติมเต็มในหลักของจริยธรรมนะที่จะให้กระบวนการยุติธรรมนะดบเนินไปด้วยความถูกต้องนะด้วยความยุติธรรมด้วยความเที่ยงธรรมเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราว่าเรามาเติมเต็มกันนะในกระบวนการของจิตวิญญาณนะเพื่อให้อนะ กระบวนการยุติธรรมมีความถูกต้องต่อไปเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาน้อยนะเพียงแค่ประมาณสองาวันเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเราตั้งใจก็คงได้รับส่วนหนึ่งเนาะคราวนี้ในพุทธศาสนานี่ก็คือมีคำสอนมากมายเนาะแต่ว่าถ้าเราแยกประเด็นแล้วนะก็แยกเป็นแค่สองประเด็นเท่านั้นนะคือประการแรกก็คือให้เรารู้จักความทุกขนะ์ประการที่2คือปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นเนาะ คราวนี้ความทุกข์เนี่ยมันก็มีความทุกข์ทางกายและทางใจความทุกข์ทางกายก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าความล่ำไรรำพันต่างๆเหล่านี้นะความที่เราประสบกับสิ่งไม่รักก็เป็นทุกข์พัดผาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะ ว่าโดยย่อประทานขัน5ขันทั้ง5้าก็คือกายและใจนี่แหละคือความทุกข์นะนี่คือความทุกข์ในทางกายส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ทางใจความทุกข์ทางกายนี่เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะเช่นความแก่ความเจ็บความตายเจ็บไข้ได้ป่วยนะต่างๆนี่เราหนีไม่พ้นนะส่วนความความทุกข์ในทางใจความทุกข์ในทางใจนี่จริงๆแล้วมีอันตรายยิ่งกว่าความทุกข์ทางกายอีกเนาะ เราได้ข่าวทุกวันนี้ฆ่าตัวตายกันเยอะโดยเพราะตำรวจนะเห็นฆ่าตัวตายอยู่ประจําเนาะจริงๆแล้วทุกอาชีพนั่นแหละฆ่าตัวตายกันแทบทั้งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางใจนี่แหละอคนที่เรียกว่าร่างกายแข็งแรงมีเงินทองเต็นก็ฆ่าตัวตายได้แสดงว่ามันก็ไร้แรงกว่าใช่ไหมแต่ว่าความทุกข์ทางใจนี่ก็สามารถแก้ไขได้อย่างเด็ดขาดเนาะเช่นพระหรหันต์นี่แหละท่านอ่ามีแต่ความทุกข์ทางกาย แต่ความทุกข์ทางใจนี่ท่านก็หมดไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราม า, าปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ชื่อว่าเรามาศึกษานะเพื่อที่จะไปแก้ความทุกข์ในทางใจของเราเท่านั้นเนาะความทุกข์ทางกายคงแก้ไม่ได้หรอกแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยเราสามารถแก้ได้เนาะเพราะว่าเมื่อเราจบไปแล้วนะความทุกข์ต้องมาหาเรามากมายนะไหนจะการสอบแข่งขันต่างๆนะนะหรือว่าอาชีพการงานมันจะนําความทุกข์มาให้เราทั้งนั้น ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการแก้ความทุกข์ออกจากความทุกข์หรือว่าทําให้ความทุกข์ลดน้อยลงนี่เราคือปัญหาหลักนะที่อันตรายของเราเป็นอย่างยิ่งนะเราเราจะมีชีวิตอย่างมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตก็ได้เนาะถ้าเราไม่รู้จักวิธีการออกจากความทุกข์อย่างไรเนาะเนะี่ยครั้นี้นะวิธีการที่ออกจากความทุกข์เนี่ยพระเจ้าก็ได้ทรงบอกเอาไว้อย่างชัดเจนใน พระสูตรสูตรหนึ่งมีชื่อว่าสติปัฏฐานสูตรนะอันนี้พระเจ้าบอกว่าเป็นทางสายเอกในการออกจากความทุกข์อย่างแท้จริงครันนี้ก็เริ่มต้นทางกายก่อนเนาะมาศึกษาในทางกายของเรานะแล้วก็เวทนาศึกษาเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ต่างๆแล้วก็ศึกษาทางจิตใจนะว่าเป็นอย่างไรมีความโลภความโกรธความหลง แล้วก็ศึกษาในทางธรรมนะคือสภาวธรรมต่ า, า, างๆมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนาะคราวนี้น่ ะ, น เ, นะเราก็มาเริ่มที่ฐานกายก่อนนะคือกายทางกายนี่แหละเวทางกายนี่แหละเขาเรียกว่ากายยานุปัสสนาสติปทานเนาะคือตรงเนี้ครูเ จ, จ้าได้พูดไว้ชัดเจนว่าอ่ะยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนนะตรงนี้เราสามารถรู้ไหมเนาะอ่ะ ตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าเรากําลังนั่งอยู่ก็ชื่อเราไปบัติธรรมแล้วเนาะหรือตอนนี้เรารู้สึกว่าเอมันอากาศมันร้อนๆนะมันร้อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายใจนถ้าเรารู้ว่าขณะนี้เราไม่สบายใจก็ชื่อเราไปบัตรธรรมแล้วเนาะหรือรู้สึกลาคาญโอ้อ่าเสียงอะไรน่าลาคาญเนาะเรารู้ว่าเรากําลังลาคาญนี่เราก็ไปบัตรธรรมแล้วเนาะ หรือแม้แต่เราอาจจะกำลังพลิกมือหรือคลึ่งนิ้วหรือยกมือหรือตั้งใจฟังเรารู้ว่ากำลังทําอะไรอยู่นะตรงเนี้ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วนะครั้นี้การปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะอย่างที่บอกแล้วว่าอาการแรกเนี่ยยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนเนาะคือกลับมารู้ในบทที่สี่ เพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเราก็มีแค่สี่อย่างเท่านั้นเองนะถ้าเราไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ า, ร, ารู้ๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการแบบทำแล้วใช่ไหมต่อมาพระเจ้าก็ทรงบอกอีกว่าอ่าเดี๋ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังอคู่แขนเหยียดแขนทรงจีวรสังขติออุจฉะปัสสาว ะ, ะดื่มลิ้มกินเคี้ยวต่างๆนะ ก็คือในชีวิตประจำวันเราทําอะไรอยู่นะก็คือให้เรารู้ในตรงนั้นนะนะตอนนี้อาจจะมีหลายอย่างปรากฏขึ้นในตัวเรานะเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอ่ะเช่นเราคันศรีรษะนะแล้วก็มือไปเกาถ้ารู้กําลังเกานี่ก็เป็นการไปรแบบทำแล้วเนาะก็เรียกว่าเรามีการเคลื่อนไหวอะไรเล็กๆน้อยๆทั้งหลายแหละนะหือจริงๆแม้แต่เรากระพริบตาหรือหายใจนะหรือหันหน้าไปมองเพื่อนนะ เราก็เนี่ยถ้าเรารู้ขณะนี้กำลังทำํำอยู่ก็เป็นการบัตรธรมแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วการ บ, บัตธรรมมันก็ไม่ยากนะถ้าเราเข้าใจแล้วมันอยู่ในชีวิตประจําบัตรเรานั่นเองนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าเราเป็นลึกลับหรือว่าต้องทําจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิต่างๆนะหรือว่าต้องไปบัตธรรมอย่างเข้มข้นอ่านะไปเก็บตัวในที่ใดสักแห่งหนึ่งนะชีวิตพวกเราคงทําไม่ได้หรอกนะเพราะเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นแต่ถ้าดีไหมนะถ้าเราเอามาใช้ในจิตประจําบัตเราได้นะ สามารถ ป, ประพฤติธรรมในชีวิตประจําวันนี่แหละอยู่บ้านก็ทําได้นะแม้แต่อยู่ไปเดินตามห้างหรือแม้แต่ในสถานที่ต่างๆที่คนวุ่นวายหรือแม้แต่ในชีวิตยาวันต่อไปเราอาจจะไปทํางานถ้าเราไปใช้ได้มันจะดีไหมใช่ไหมตรงนี้นถ้าเราเข้าใจเออมันไปใช้ได้มันได้ไประโยชน์จริงๆเนาะคราวนี้ก็กลับมาดูการประพฤติธรรมนะนะนนก็อย่างที่ว่าเร า, เรารู้ไหมขณะนี้กำลังนั่ง กาลังยืนกลังเดินกลังนอนนะตรงนี้ถ้าเราไปรู้ทางกายได้นะคือรู้ในของหยาก่อนนะของหยาบเป็นสิ่งเรารู้ได้ใช่ไยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นอีบทที่เราสามารถที่จะรู้ได้แล้วไม่ยากน ะ, ะหรือเราคู่แขนเหยียดแขนเช่นให้ยกมือสร้างยางวะอันนี้ก็คือเราสามารถรู้ทางกายได้ไม่ยากใช่ยหมอพอเรารู้ทางกายแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ไปเพ่งไปจ้องกายนะจิตเราก็จะมีความคิดไปใช่ไหมแต่เราไปเพ่งเขาเขาก็อาจจะไม่คิดนะเขาก็สงบนิ่งนะแต่ถ้าเราไม่เพ่งเนะีเรารู้เล่นเล่นสบายๆวางใจสบายๆนะเราก็รู้เล่นเล่นรู้เป็นครั้งๆั้งเดี๋ยวเขาก็คิดไปแล้วนะเพราะเราไม่ได้ไปห้ามความคิดเขาคิดแวบไปเออเรารู้ความคิดนะใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าเรารู้ความคิดได้อันนี้ที่ว่าเรา เป็นการจเจริญในสติปัฏฐานแล้วเพราะว่าจิตมีความคิดเราก็รู้ว่ามีความคิดนะการที่เรารู้ความคิดหนึ่งครั้งนั่นแหละเราได้หนึ่งคะแนนแล้วเนาะเพราะนั่นครูบาอาจารย์ยังบอว่าเราจะไม่ห้ามความคิดนะยิ่งคิดยิ่งรู้ะตรงนี้หลวงพ่อเทียมบอกยิ่งคิดยิ่งรู้นะตนบบนะแต่เราไปห้ามความคิดให้จิตสงบนั่นนะอันนั้นก็อาจจะไม่ถูกกับวิธีการตรงนี้เนาะเพราะการที่เราไปห้ามความคิดนั้นจริงๆเราห้ามเข้าไม่ได้นะยิ่งห้ามในยิ่งคิดเลยะ แต่เมื่อเราไม่ห้ามความคิดเมื่อเขาคิดไปสําคัญว่าเรารู้ไหมขณะนี้เราคิดใช่ไหมตรงนี้สําคัญกว่าที่เราจะไปห้ามความคิดใช่ไหมพอเร า, าห้ามความคิดไม่ได้แต่ถ้าเขาคิดไปสําคัญว่าเรารู้ทันไหมถ้าเขาคิดไปสิบครั้งเรารู้ทันสัก8ดหรือ9้าครั้งโอ้ในดีแล้วนะแสดงว่าจิตเราเริ่มตื่นตัวแล้วนะเพราะจิตมันตื่นตื่นตัวจากอะไรจากการที่รู้ว่าจิตเขาไหลไปจิตเขาคิดไปจิตเขาหลงไปน่ะ ถรารู้ว่าขณะนี้ค <Bo on> <Note> ิดปั๊บเนี่ยเออเรารู้ทันนะเนี่ยความคิดก็จะดับทันทีแล้วนะมันไม่ไปไม่ไปยาวนะความคิดที่เรียกว่าหลงคิดเนี่ยมันมันไม่ยาวนะคิดปั๊บเรารู้ทันมันจะดับได้เลยแต่ความตั้งใจคิดก็ไม่เป็นไรนะความตั้งใจก็คิดให้จบไปแต่นอกจากความตั้งใจใจคิดแล้วมันจะมีตัวหลงคิดคือมันคิดมาเองในเยอะแยะเนาะเพราะฉะนั้นมันคิดไปสิบครั้งเรารู้สักแปดหรือเก้าครั้งโอ้แสดงว่าเราได้แปดเก้าคะแนนแล้วนั่นคือมันจะเริ่มตื่นตัว เพราะงั้นการที่เรามาปฏิบัติตรงนี้เราจึงจับประเด็นได้ว่าเราไม่ได้เอความสงบใจว่าเป็นการตื่นรู้ของจิตนะเป็นการเขย่าท่านรู้นั่นเองเขย่าโดยการที่เรียกว่าเรารู้กายก่อนก็คือรู้กายตื่นกายนะเมื่อเราตื่นกายคือเรารู้สึกตัวได้กายมันตื่นรู้รู้สึกตัวมันก็จะไปตื่นในทางใจคือสามารถไปสังเกตอารมณ์ต่างๆสังเกตความคิดในทางจิตใจ น, ะนี่แหละใช่ไหมมันจะไปรู้ในทางใจอ่า ต่างๆได้ด้วยนะเพราะนั้นบางคนก็เลยไม่รู้วิธีการก็ไปคอยเพ่งดูจิตเราเออมีความคิดเราต้องไปคอยดูเขาต่างๆเลยพอไปตั้งใจดูปุ๊บเป็นไงจิตมันก็นิ่งแข็งทื่อนะมันก็จะเริ่มที่เรียกว่าเขาเรียกไปเพ่งเอานะตรงนี้จิตมันจะแข็งมันไม่เป็นธรรมชาติจริงๆนะแล้วจิตมันก็จะกลายเป็นนิ่งสงบไปหรือไม่ก็ปวดหัวไปเลยเนาะแต่ว่าเมื่อเรา ไม่ได้ไปเพ่งทางจิตใจไม่ได้ไปตั้งใจดูความคิดแต่กลับมาลูกายแทนนะลูกายแทนเล่นเล่นสบายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดก็จะทํางานไปตามปกติไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้ไปเพ่งเขาอพอเขาทํางานปกติเขามีความคิดแวบหนึง่งแล้วรู้ทันปุ๊บตรงเนี้ยเขารู้ทันปุ๊บมันจะดับเลยนะการที่เขาดับครั้งหนึ่งเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็คือเราไปเขย่าท่านรู้ครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการที่เราเขย่าท่านรู้บ่อยๆ ท่านรู้ก็จะตื่นตัวขึ้นมานะมันที่หลวงพ่อเทนบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นั่นเองจากจิตที่เขาอาจจะเป็นคนที่หลงยาวนะคิดก็คิดยาวๆนะคิดบางที shower, คิดไป5้าเรื่องสิบเรื่องก็ไม่รู้กำลังคิดแต่เมื่อต่อหลังเมื่อจิตเริ่มรู้ทันเริ่มติดเริ่มตื่นตัวพอเราเริ่มรู้ทันความคิดบ่อยๆจากการคิด5้าเรื่องเขาจะเหลือทั้งสเรื่องก็รู้ทันต่อไปเหลือหนึ่งเรื่องก็รู้ทันต่อไปเมื่อสักเริ่มคิดละ แค่เริ่มคิดก็รู้ทันนะเพราะนั้นมันก็จะตัดให้สั้นลงการที่เขาสามารถตัดความคิดให้สั้นลงนี่แหละเป็นเห็นให้อย่างหนึ่งว่าเราสามารถที่จะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ด้วยคือเห็นอารมณ์เช่นความโกรธความรักความชังความเกลียดความกลัวความเหงาความเครียดความหึงหวงความอิจฉาริษยาความน้อยใจความเสียใจมันก็จะพลอยเห็นไปด้วยเนาะ แต่เมื่อก่อนเราจะไม่เห็นไวๆนะใครมาด่าเราเราก็จะโกรธอย่างรวดเร็วนะเพราะเราใครมาดาา่าแล้วมันก็จะโกรธเลยนะแต่เราไม่รู้ว่ามันโกรธเพราะเหตุอะไรแต่มันก็ลังโกรธอยู่แล้วมาด่าเราเมื่อไหร่ก็โกรธเมื่อนั้นนะ <S <S แต่ถ้าเราเริ่มที่จะเห็นความคิดแล้วนะเราจะรู้สึกว่าเออถ้าเขาด่ามานะแล้วเราไม่คิดอะไรนะเรารู้เฉยได้ไหมตรงนี้ถ้าเรารู้เฉยมันจะไม่โกรธหรอกใช่ไหมนะ ดามานะถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็ไม่โกรธแต่เมื่อเริ่มคิดแล้วโอ้เรื่องค่นี้มาด่าทําไมเนาะเราไม่ได้ทําผิดสัหน่อยด่าทําไมอหรือไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครเย <c oughs> พอคิดปับ๊บมันก็จะโกรธทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นการที่จิตมันจะโกรธนะเพราะเกิดจากความคิดแต่เมื่อเราสามารถเห็นความคิดแล้วเราก็จะเห็นว่าเออขนาดนี้มื่จะเริ่มคิดแล้วนะเพราะเรารู้ว่มันจะเริ่มคิดมันก็เลยตัดไปเพราะตัดไปปุ๊บนี่มันก็เลยไม่โกรธนะ เพราะความโกรธมันชื่อเป็นตัวหลงตัวหนึ่งแต่ว่าสตินี้มันเป็นตัวกุศลนะจิตมันจะเกิดดับได้แต่ละครั้งนะอกุศลคือความโกรธเมื่อมีสติคือความที่เรารู้ทันสติการรู้ทันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเขาเรียกเป็นกุศลจิตเพราะนั้นอกุศลก็จะดับไปทันะทีเนาะพราะการที่เราสามารถเห็นความคิดนี่แหละรู้เฉยเฉยก็น ะ, ะเรากลับมาดูความคิดเห็นความคิดปั๊บเนี่ย ข้อนความคี่ก็จะดับไปมันก็เลยไม่ต่อเนื่องเป็นความโกรธเนาะตรงนี้มันก็เลยจะดับอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นทุกทุลมเนาะแต่ทำีมเรารู้ทันความโกรธแล้วทํำไมไม่ดับนะตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะเราไม่ได้รู้เฉยๆอ่าส่วนหนึ่งคือเราอยากให้เขาดับนะนการที่เราอยากให้เขาดับนั่นแหละมันก็เป็นความอยากเป็นปัญหามันก็คืออกุศลจิตเหมือนกันนะเพราะน้นอกุศลจิตมันจะเป็นละอกุศลจิตคือความโกรธไม่ได้นะเพราะเรารู้เฉยๆเท่านั้นเองนะเขาก็ดับไปเนาะ เพราะนั้นอารมณ์ทั้งหลายนะเราจริงๆเรารู้เนี่ยจิตเฉยๆเขาก็ดับไปนะแต่ไม่ดับก็ไม่เป็นไรเราก็แค่สังเกตเข้าไปเรื่อยๆเนาะก็กลับมาดูจิตอีกครั้งหนึ่งเขาโกรธอีกก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะดูสักสี่ห้าครั้งไม่เกินสิบครั้งเขาดับหมดนะไม่ว่าลมอะไรเกิดขึ้นดับหมดเนาะเพราะตรงนี้มันจะสู้กระแสของสติไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลจิตแล้วมันจะไปดับอกุศลได้เองเนาะตรงนี้เราก็เลยกลับมารู้าบ่อยๆนะ ก็คือเริ่มต้นที่ฐานกายก่อนนะยืนเดินนั่งนอนนะเราก็ฝึกกันนะเราก็มีการเดินจงกรมนะเดินจงกรมแล้วก็เดินจงกรมไปก็เป็นการเดินนะส่วนนิบท์อื่นๆแล้วก็สังเกตดูเรื่อยๆนะเราก็อย่าไปเวลานี้เป็นเวลาฏิบัติธรรมเวลานี้เป็นเวลาพักออันนั้นเราก็ช้านะแต่ถ้าเราขยัน เ, ออเราไปอาบน้ําแปลงฟันแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยนะอีกบทย่อยอย่างต่างก็รู้สึกตัวไปทานอาหารรู้สึกตัว อุจจรปัสวะก็รู้สึกตัวไปมันก็เป็นการต่อเนื่องนะเพราะการประวัตินี้มันมันต้องใส่การต่อเนื่องกันระยะหนึ่งนะเจรติกก็เรียกว่าต้องให้ต่อเนื่องกันแต่คำว่าต่อเนื่องไม่ใช่ว่ารู้ตลอดเวลาใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้ตอนนี้เรารู้นะอย่างเช่นอเราจะแปลงฟันก็ได้นะรู้ทีเดียวห้านาทียาวเหยียดเลยอันนี้มันก็กลายไปไปไปเพ่งเขานะหรือว่า บางบางทีเรายกมือสร้างอยู่บะก็ไปรู้ยาวๆนะรู้สัก10นาทีเลยไม่ได้หลงไปไหนเลยนี่ก็ไปเพ่งเอาออกนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปเพ่งเอาก็ก็ไม่ถูกนะอันนี้เราต้องว่าต้องอย่าไปเพ่งนะคำว่ารู้ตอนเนื่องหมายความว่ารู้อ่าตอนเนื่องแบบลูกโซ่นั่นเองก็คือรู้เป็นครั้งครั้งเป็นขณะนะเป็นแบบไข่ปลาคือรู้แล้วก็หลงได้นะรู้แล้วก็อาจจะหลงได้หรือรู้แล้วก็ เข้าก็หลุดได้นะมันไม่ต้องต้องรู้ยาวๆใช่ไหมเพราะฉนั้นคำว่ารู้ตอนเริ่มลิกโซ่คือรู้เป็นครั้งๆงเป็นขณะขณะนั่นเองนะตรงนี้ถ้าเรารู้แล้วมันก็กลายเป็นว่าเราสามารถที่รู้ได้บ่อยๆนะไม่ใช่ว่าเรารู้ยาวๆนะอ่าคราวนี้ถ้าเรารู้บ่อยๆมันก็ง่ายนะอ่าเพราะถ้าเราไปตั้งใจรู้ยาวมันจะยากแล้วมันจะเครียดมันจะตึงนะเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ตรงนี้นักไปบัชส่วนใหญ่ก็จะไปคอยรู้ยาวๆเพอมันจิตมันสงบดีนะไม่คิดอะไรเลย เนาะอันนั้นมันมันกลายเป็นสมถะไปนะมันกลายว่าเราไปคอยประคองตัวรู้อ่าไปคอยเพ่งให้จิตสงบเนาะอ่าตัว น, นี้ถ้าเรารู้สั้นๆมันก็เออรู้สั้นๆไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คิดไปละอ่าคิดปุ๊บแล้รู้ทันคิดปุ๊บรู้ทันนี่แหละจิตจะตื่นนะเพราะจิตมันจะตื่นจากการที่ว่าเราไปเขย่าทารู้บ่อยๆนะในสดุดก็จะตื่นตัวขึ้นมาได้นะยังไม่ยากเนาะอ่าถ้าเราเข้าใจในตรงนี้นะอือคราวนี้เราก็อ่าไม่ไปห้ามความคิดในการบัตรรม นะตรงเนี้ยสำคัญนะอ่าไม่ห้ามความคิดอ่ารู้แบบสบายๆไปนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อเราวางใจได้แล้วอย่างเงี้ยมันจะกลายว่าการบัตรธรรมนี่มันก็ง่ายๆไม่ยากเนาะอะไรเกิดขึ้นก็ได้เราก็รู้ไปตามความเป็นจริงเขาอ่านะเพราะว่าการบัตรธรรมนี่มันส่วนหนึ่งอ่านะเราถ้าไปตั้งใจเราดีแล้วเราจะมีความทุกข์อนะ่าจากการที่เราใจาดีนะเอาแบบว่าเออเมื่อเช้านี้แบบบัติธรรมมันดีนะอ่านมะีสนตะิมนะีความรูนะ้สนะึกนตะัวดี พอตอนบ่ายปั๊บเออมันทําไมหลงเยอะอ่ะมันทําไมความรู้ตัวหายไปนะอ่าเราจะมีความทุกข์แล้วเออมันทําไมไม่ดีนะอ่ะตรงเนี้ยมันคือการตรงเนี้ยเขาสแสดงความจริงอย่างหนึ่งว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ต่างหาเนาะอ่เพราะฉะนั้นนักปฏิบัตินี้ก็อ่าจะมีความทุกข์ว่าเออเขาไม่ดีตามเราต้องการนะเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีเราจะมีความทุกข์ดิเรารู้สึกมันตกแล้วนะอันเนี้ยแสดงว่าเราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงนะ การเรารู้ตามความจริงก็คือในขณะนั้นนะมันจะหลงก็ได้เราก็รู้ไปนะมันจะมันจะมีสติก็ได้ก็รู้ไปนะแม้แต่มีความโกรธก็ก็ได้ก็รู้ไปนะมีความทุกข์ก็รู้ไปนะมีมีความเกลียดมีความชังนะมีความอิจฉาก็รู้ไปเพราะนี่คือความจริงนะเราไม่ต้องห้ามว่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องไม่โกรธนะ่นะต้องไม่อิจฉาต้องไม่หึงหวงนะถ้าเราไปตั้งใจอย่างนั้นปุ๊บมันก็เรามีความทุกข์แล้วใช่ไ หรือบะทำแล้วต้องมีสติทั้งวันอมีสติทุกวันทำแล้วต้องดีทุกวันแล้วก็มีความทุกข์แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นความทุกข์ทั้นนั้นแหละเพราะว่ากาเราไปตั้งความหวังอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันไม่ได้ตามเราหวังเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่สมหวังก็มีความทุกข์แต่เมื่อสมหวังแล้วเป็นยางไรนะสมหวังแล้วมันก็ไม่เที่ยงก็มีความทุกข์อีกใช่ไหอไปบันแล้วมันต้องดีทุกวันนะ พอไม่ดีเราก็มีความทุกข์อ่าพอมันดีแล้วก็มีความสุขวันรุ่งขึ้นมันก็ไม่ดีอีกก็มีความทุกข์อีกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบังคับก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ไปตามความเป็นจริงเราก็จะง่ายนะชีวิตก็เป็นแบบนั้นเองเราไปบังคับอะไรก็ไม่ได้เลยนะเขาจะดีก็ดีเขาจะไม่ดีก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเนี่ยกำเห็นความจริงตรงนีง้ง่ายกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไม่มีความทุกข์จากการกระทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากระบตดเพื่อเห็นความจริงต่างหาก เราไม่ได้เพื่อเจ้าดีนะเอาดมีมันเป็นสิ่งที่มันยากแล้วก็มีความทุกข์จากการเอาดีแล้วเราจะแบบบังคับเข้าให้เป็นตามเราต้องการแต่ถ้าเราแค่มารู้ความจริงว่าเออดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ตรงนี้มันยังง่ายกว่ากันเยอะเลยเพราะว่าอะไรเขาทุกอย่างเขาแสดงความเป็นพระไตรักษ์เสมอกันนะในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในการบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละถ้าเราเข้าใจในตรงนี้เราเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนาะ <row> บางก็จะเกิดการปล่อยกันวางแล้วก็สามารถเข้าถึงธรรมะระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนานะเพราะฉะนั้นการมาทําส่วนส่วนสุดท้ายนะก็คือเพื่อให้เห็นใจรักเท่านั้นเองว่าบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาจึงแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะตรงนี้อถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะจิตเราก็จะอ่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหม แต่ถ้าเรายังไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็มาเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะในอความที่เรียกว่าให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะรู้สึกตัวไปง่ายๆนแต่ลักษณะแต่ละขณ ะ, ขนะขนเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกๆขณะเลยนะครั้นี้เราก็มารู้ความจริงที่ว่าจิตเราจะหลงไปในทางไหนบ้างเนา ะ, ะการหลงเนี่ยก็เรียกว่าหงหลงได้หกทางนะอ่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนะ บางทีเราอ่าอย่างผู้ชายเวลาเห็นผู้หญิงสวยๆนะเราก็ชอบไปจ้องดูอ่จ้องดูเขาเนาะล้วก็มองเขาด้วยความอ่จิตที่มีกิเลสเนาะมีมีมีกิเลสในใจเราะผู้ชายจะมองผู้หญิงแบบนั้นกันหลายๆงหลายๆครั้งหลายๆคนเนะตรงเนี้มันมันหลงไปแล้วนะหลงไปในทางตาะตรงเนี้ยมันเป็นอันตรายนะพราะเราหลงไปมันก็จะไปสร้างอ่าอ่า สร้างตันหาตามมาคือความทยานอยากในสิ่งเหลนะ่านั้นการที่ตาเราเห็นเนี่ยมันจะเกิดภาษาขึ้นมาภาษาคือการมองเห็นมันจะเกิดเวทนาคือความชอบหรือความไม่ชอบเมืนะ่อเกิดความชอบหรือความไม่ชอบเกิดขึ้นก็จะเกิดตันหาขึ้นมานะตันหาก็จะนําไปสู่ประทานคือการยึดติดในสิ่งเหลนะ่านะนั้นนะเพราะฉะนั้นการถ้าเรายึดติดในสิ่งอะไรพระวิจารณ์ว่านั่นแหละคือความทุกข์ใช่ไหมนะยึดติดในนะรถยนต์ของเรา พอรถยนต์เรามีรอยขูดขีกก็มีความทุกข์ยึดติดในมือถือนะมือถือเสียหรือหายไปก็มีความทุกข์ยึดติดแฟนเรานะแฟนเราพอเห็นไปคุยกับคนอื่นนะอาจจะเป็นน้องชายเขาก็ได้นะเราก็มีความทุกข์แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นอุทานมันก็มีความทุกข์นะเพราะเราต้องรู้ว่าอุทานมันเกิดจากอะไรเกิดจากเวทนาเวทนาคือเมื่อเราเห็นแล้วหรือเราได้ยินแล้วนะก็เกิดความพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยนะ ตรงเนี้ยมันจะนำความทุกข์มาให้เราก็คือมันจะเกิดเป็นตันหาคือความอยากได้ความอยากได้เกิดเป็นหัวทานคือความยึดติดนะอะถ้าพูดต่อไปในขั้นสูงบอกว่าความยึดติดมันจะกอ่อให้เกิดภพเกิดชาติตามมาเนาะแล้วก็เกิดความทุกข์ต่างๆตามมาเยอะจากภพชาตินั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันในใจที่มันหลงไปในลมต่างๆนะตรงนี้นะมันจริงๆแล้วคือการบัติธรรมทั้งหมดเลยนะมันไม่ได้ออกจากรการะบวนการไปบัติธรรมแต่อย่างใดนะ ตาเราต้องสังเกตให้ดีเราเห็นสิ่งใดต้องกลับมารู้ใจเรานะอะผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆก็กลับมาดูใจนะตอนนี้มีความพอใจเกิดขึ้นเราห้ามความพอใจไม่ได้ใช่ไหมะจะไปรักใครก็ห้ามไม่ได้แต่กลับมาดูใจเรานิดนึงว่าขณะนี้กลางเกิดขึ้นในใจเราเนาะเกิดความรักอเกิดความพอใจในใจเราเรารู้ทันไหมเนี่ยตรงนี้สําคัญมากนะตรงเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าจิตตาอุปัสสนาสติปัฏฐานเลยนะ อคืออจิตมีความโกรธก็รู้มีความโกรธจิตมีความโลภรู้ว่ามีความโลภจิตมีราคะก็รู้มีราคะนี่แหละคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนาะสิ่งเราเนี่ยถ้าเรากลับมารู้บ่อยๆนะให้ทางตาให้ได้อเมื่อเกิดอะไรขึ้นรู้ทันอเมื่อหูได้ยินเสียงอะไระบางทีเราได้ยินเสียงใครนินทาเราอใครมาด่าเราใครมาว่าเราแล้วก็โกรธใช่ไหม นั่นแหละตรงเนี้ยเรารู้ไม่ทันใจเรานะเราจะไปห้ามความโกรธได้ไหมห้ามไม่ได้ใช่ไหมแต่เมื่อมีใครมาดา่าเราเรามีความโกรธเรากลับมาดูใจเราอีกครั้งหนึ่งดูดูความโกรธนั่นแหละไม่ดูอะไรดูใจเขาโกรธนะะต่อไปเราก็จะเห็นว่าจริงๆใจมันโกรธเองไม่ใช่เราโกรธหรอกใช่ไหมแต่เรากลับมาดูเท่านั้นเองนะดูดูไปไม่เกินสิบครั้งความโกรธก็หายไปนะเพราะมันจะทนกระแสของสติไม่ได้นะ ตอนนี้ก็ให้2 อ, อย่างก็เพอนะั่นคือตาและหูท่างนั้นเองนะสตัวนี้จะกระทบเยอะนะีกลับมาดูใจบ่อยๆนะในสุดนะอารมณ์ต่างๆก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปอย่างนี้แหละเราจะเจอความทุกข์ได้เร็วนะต่อไปเมื่อเราชนานาญขึ้นเราจะสามารถจิตสังเกตใจของเราได้มีความคิดอะไรก็รู้ทันความคิดอะไรก็รู้ทันนะตรงนี้ความทุกข์เราก็จะลดลงนะเพราะฉนั้นตรงนี้ก็คือถ้าเราได้หลักการของการเจริญสติเราก็สามารถนําไปใช้ได้ จริงๆนในชีวิตจําบันนะหลังจากเราจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจในตรงนี้น ะ, ะคือการรู้เท่าทันลมทั้งหลายเมื่อรู้แล้วก็รู้เฉยๆแล้วก็เขาไม่หายก็กลับมาดูใหม่ดูใจเราที่ไม่ลมฉะ น, นั้นบ่อยๆหลายๆครั้งก็จะหายไปเองนะความทุกข์เราก็จะลดลงนะแต่ส่วนสาคัญเมื่อเราไปทํางานในระดับของอกระบวนการยุทธธรรมแล้วสิ่งสาคัญนั่นคือ เราจะต้องมีคุณธรรมจะต้องไม่รับสินบาทค่าสินบนใดๆทั้งสิ้นเนาะเพราะนั้นคือการทรยศต่อวิชาชีพและต่อสถาบันของเราเนาะดังที่ท่านรพีนะท่านรพีบอกไว้ว่าเจ้ากินเหล้าเมายาไม่ว่าดอกใจจะดอกใจอย่าออกนอกทางไปให้เสียผลอย่าได้กินสินบาทค่าสินบนเราเมันชนชั้นปัญญาตุลาการเนาะ พอะตรงนี้นะก็คืออ่าการที่กินเล่ากินยาเนี่ยจริงๆมันก็ผิดอยู่แล้วฮอ่าแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไปกินสินบาทค่าสินบนนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราอ่ามีอ่าจริยธรรมจริงๆนะเราก็ต้องมีสินห้าในเบื้องต้นให้ได้ใช่ไหมถ้าเรามีศินห้าแล้วนะสิ่งต่างก็จะตามมาเองนะอ่าทุกอย่างมันจริงๆเริ่มต้นในสินห้าใช่ไหม ถ้าเราทำตรงนี้ได้สติสมาธิปัญญาจะตามมาหมดเลยนะสิ่งเราเนี่ยเมื่อเราทำได้แล้วนะนะชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแ น, น, น่นอนนะแต่เราทำไม่ได้ชีวิตเราก็จะต้องตกต่ำนะและเมื่อหลังจากนั้นเราก็จะมาศึกษาว่าทำไมชีวิตเรากตกต่ำนะเราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการที่เราผิดศีลเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะการผิดศีลนะมันทำให้เราไม่ก้าวหน้าในชีวิตของเรา เพรเมื่อผิดศีลแล้วะสิ่งที่ตามมาก็คือเราขาดสตินะเมื่อขาดสติก็ขาดสมาธิขาดปัญญาตามมานะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมกระบวนยุติธรรมก็จะเสียหายเนาะแต่ถ้าเรามีศีลนะเริ่มต้นในการมีศีลแล้วความมีศีลเนี่ยก็เรามีปกตินะใจเมื่อรักษาศีลได้ใจจะมีกําลังเพราะว่าความชั่วเล็กน้อยก็ทําใจเราเราไม่ได้อนะเพราะฉะนั้นความชั่วที่ใหญ่ๆนะอนะมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกันนะ นีตรงนี้นะก็ให้เริ่มต้นให้เรามีศีลให้ได้ก่อนนะอะหลังนั้นแล้วทุกอย่างก็จะตามมาดีเองนะเนี่ยตรงนี้เราเราทำไม่ยากเนาะชีวิตเรานะอยู่ที่เราลิขิตไม่ใช่ว่าใครลิขิตนะเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราลิขิตตัวเราเองอ่าไม่ไม่ถูกต้องอทําผิดแล้วอในสุดเราก็อ่าจะโทษตัวเองก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปโทษใครนะ ก็ต้องเริ่มแต่วันนี้ให้ได้นะวันเนี้ยเป็นวันที่เรียกว่าเราต้องมีมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วถ้าเรา อ, อนาคตเราอีกทักยี่สิปีแล้วเมื่อเราย้อนหลังกลับมาเราจะรู้ว่าชีวิตเรามีความดมสมบูรณ์มีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานเพราะอะไรเพราะเริ่มจากวันนี้นั่นแหละเมื่อยี่สิบปีก่อนเราได้มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมที่วัดแล้วเราก็เริ่มที่จะเข้าใจในเรื่องศีลว่าศีลนี่ไม่มีความจําเป็นในชีวิตเรานะ เราเริ่มที่จะรักษาศีลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแล้วก็เราจะเริ่มจเจริญสติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะมันจะให้ผลเราในอีก20ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนนะแต่ถ้าเราไม่ทําตั้งแต่วันนี้นะตรงนี้มันก็จะช้าไปแล้วนะเหมือนกับเราสักวันหนึ่งนะเราอาจจะนั่งเรือไปในทะเลนะแต่ว่าเมื่อทะเลนั้นเกิดขึ้นลมขึ้นมาเรือก็จะล่มนะคนที่ไหว้นะั่งไม่เป็นก็จะตายนะเป็นส่วนใหญ่ จะเหลือเฉพาะผู้ที่ว่ายน้ําเป็นและว่ายน้ําแข็งเท่านั้นคนที่ว่ายน้ําเป็นก็คือคนที่สามารถที่จะฝึกว่ายน้ําในสระว่ายน้ําเล็กๆได้ใช่ไหมสระว่ายน้ําเล็กๆนี่แหละเมื่อเราว่ายน้ําเป็นแล้วต่อไปเราไปนั่งเรือออกทะเลเราเรือล่มเราว่ายน้ําได้แต่คนที่ไม่เคยฝึกว่ายน้ําเลยไม่ว่าเรือล่มที่ไหนในคูในหนองในคลองในบึงก็ต้องตายเนาะการที่เราว่ายน้ําเป็นนี่แหละ ก็คือการที่เรามาฝึกกายฝึกใจของเรานี่แหละให้มีสติมีสมาธิมีปัญญานะพอหลังอย่างนี้แล้วเราก็ออกไปสู่โลกภายนอกอย่างนะมีความสง่างามนะเราก็จะไม่กลัวใครนะเพราะว่าตรงนี้คือเกาะคุ้มครองเรานะอยากเป็นอย่างดีนะแต่ถ้าเราไม่มีในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่มีกรอบคุ้มกันเมื่อไม่มีเกาะคุ้มกันแล้วนะใจเราก็จะเป็นใจที่เรียกว่าอ่อนแอนะจะไหลไปตามกิเลสได้ง่ายๆนะจะหลงง่ายไหลง่าย ล้ไหลไปทางไหนก็คือทางต่ำนะอันนั้นคือชีวิตตกต่ำเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะรู้ว่าเออการที่เรามาวัดแค่สอนปัันนะแต่ถ้าเรานําสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปนี่แหละจะเป็นการพัฒนาชีวิตเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะทั้งในทางโลกทางธรรมนะเพราะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตาตรน้อมนําทุกท่านนะจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ